เมืไม่ค่อยนอาเมอนี้ก็จะเกิดปุถจะเกิดมันก็แปรนี่ยถ้ามันแปรนั่นจะเกิดจะเป็นมันอกเปนอรั่นกเป็นปุถุเพราะเรื่องของกั่นเนี่ยกาท่ำคามชั่วมา ทั้งดีทั้งชั่วทัางคนดีกรจรับผลดีทา้งคมชั่วจะได้รับผลชั่อืมเป็นเนื่องจากเรานี่ย เ, เราเป็นผูท้ทําเราเป็นผู้ได้มันมีกายได้มัมีกายทาตรง น, นี้คือเราเฉพาะเราเป็นคนทํา เป็นคนได้เองเพราะฉะนั้นท่านจึงว่ากำมังกำมังสตยิภัสติยาีดังนินะปานิกายะกำยอจำแนกสัตว์ให้เหลวและปนิตมันก็จำแนกอยู่อย่างนี้อย่างที่มีปราพวกอยู่ในโลกนี้คนเราันคนที่ทำความดีก็มี บานที่ทำก้อนชั่วก็มีเดินก็ขวายกันไปมาอยู่อย่างนีน้แต่ว่ามันมีใครรู้จักแต่เพียงเห็นเฉยๆแต่ไม่รู้เห็นกันอยู่เฉยๆแต่ไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นมันจึงวุ่นวายข้าวพันรันแทงกันแย่ยงชิงกันอยู่ตลอดเวลา ขพรารับความคิดความเห็นนั่นเองความคิดผิดความเห็นผิดนั่นเองใครๆก็ว่าใครเห็นถูกใครๆก็ว่าใครเห็นดีแต่ความจริงแล้วไม่ได้กันครองอะไรเลยสาคัญมั่นหมายว่าตนของตนเป็นผู้เห็นถูกทายเดียวนีน่แหละเรื่องความคิดใจนั่น ได้แม่อยาเอาอะไรมาส่องดูมันก็ไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เข้าใจอยากกล้องจุลนนทรรนมาส่องดูมันก็ไม่เห็นเรื่องของจิตใจมันไม่เี็นนอกจากผู้มียาน า, านาะทัศนะและจิงจะรู้จักมันจะเข้าใจนี่แหละสำหรับ เรากที่ได้ผ่านการศึกษามาละหลายคะแนนทั้งตลอดทั้งยมแก่ถือไม่เท่าก็มีมันเป็นอะไรที่ได้ถือไม่เท่าแต่ก่อนทำไมไม่มีมันเป็นเพราะอะไ ร, ระก็เป็นเพราะมันแก่อ่เป็นเพราะกรรมที่ตนของตนทำเอาไว้มันก็ได้ผล ตามที่ตนทมเหตุดีผลก็ดีเหตุชัว่วผลก็ชัว่วนานเหตุยังไม่ผลก็ยังคงอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราที่มานี่ทางยายแก่หรือเป็นอาจารย์เยอะอะไรน ะ, ะเป็นอาจารย์มาจากก่อนนะั้นนี่แหละมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรือ่อย วนเราไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ามันแก่เมื่อไรมันชราเมื่อไรก็เพียงแต่ว่ารูปกาไปมาได้เท่า น, นั้นส่วนภายในจิตใจนั้นไม่มีใครรู้บางทีจะชั่วก็คอยรับอยู่เท่านั้นบางทีจะ เ, เห็นแจ้ง เฉพาอใจนะมันมันไม่มีน่ะเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีใจตนสิ่งใดที่มีโทษเว้นเสียสิ่งหนที่ไม่มีโทษให้ประพฤติปฏิบัติเอาดีใดไม่มีโทษดีนั่นในชื่อว่าดีเลยได้สมบัติทางปวงไม่ซ้ํา ไม่ประเสริฐเท้าได้ตนเลยนะธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นถ้าใครเอาตนได้เป็นผู้ประเสริฐถ้าใครเอาตนของตนไม่ได้ก็ไม่ไนะได้ชอว่าเป็นผู้ประเสริฐนี่แหละคนเรามันบําเพญมาต่างกันตลอดทั้ง ความรู้ความฉลาดมันก็ต่างกันแต่คนละอย่างแล้วแต่ใครจะประพฤติปฏิบัติแต่ความหลงมันยังครอบงมอยู่เมื่อเวลาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สำคัญมันหมายว่าจาตัวเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนั้นก็มีก็สำคัญตัว วอดอ่างว่าตัวดีวดอ้างว่าตัวประเสริฐนี่แถ่ว่ามันประเสริฐอยู่ที่ไหนมันดีอยู่ที่ไหนไม่ได้คนคิดคีดแต่หาทางที่จะพักกันหรือแก้ไขตัวเอาตัวรอดเท่านั้นเลยแต่ก็เริงอยู่อ้าทางเอาตัวรอดก็จก่งอยู่แต่ว่าให้มันถูกทาง ถูกทางถูกตามทำมะคารรสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้ามันเสียทางหลักธรร ม, มะวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วผิดแปลกไปแล้วไม่ได้เชื่อว่ามินทางในอัตถังคิกามักท่านสอนไว้แล้วเราก็ได้อ่านใน้ธรร ม, มะคําสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ก็บันทึกลืมบันยัดไว้แล้ว เต็มไปหมดทั้งภายนอกและภายในภายในก็ได้เกี่ยงคิตใจภายนอกก็ได้เกี่ยสิ่งที่อยู่นอกกายของเรานะั่นไงอะไรอยู่นอกกายเป็นต้นว่าผ้าน่งผ้าห่ม น, อ, นอาหาร ก, การบริโภคนี่เรียกว่าภายนอกภายในก็คือเรื่องของจิตใจของเราเนะี่ย เรื่องของจิตใจของเราไม่มีสติอยากคิดอย่างไงก็คิดอยากนึกอย่างไรก็นึกอยากทำลายกา็นึกทำลายอยากไม่อยากทำลายก็ไม่นึกนี่เราไม่มีสติตามรูปเท่าทันก็เลยปล่อยจิตใจของตนเพลินอยู่อย่างนั้นเพลินอยากไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่ออะไร ตนของตอนทำบาปทำกรรมอยู่กัยังถือว่าตนเป็นผู้ทำดีตนของตอนทำความดีก็ไม่รู้จากว่าตนทำดีดีแค่ไหนไม่รู้จากเลยดีลงไปเพียงไหนเราก็ไม่รู้ไม่ค่อยใจเห็นแต่เพียงแนวความคิดอยู่เฉยๆนี่ไงเรื่องอาการเลิกกิริยาของจิตนั่น มันสำคัญมากมันหลอกลวงหลอกลวงไปตลอดทางพระทางเนรหลอกลวงไปจนตลอดทา ง, น, ทางน้อยทั้งนมเท่าทางเกศมันหลอกอยู่อย่างนั้นหลอกให้เราลุ่มหลงเราไม่รู้ตัวก็ไปยังชั่วเนี่ยเรารู้จักเข้าวัดเข้าวา่ารู้จักไปมาหาสุบาอาจา บางทีก็ไปประสบอารมณ์ที่ดีบางทีก็ไปประสบอารมณ์ที่ไม่ดีนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติและเข้าประคองตามอย่าให้เผลอต่างๆิ่งไหนที่เป็นบาปเป็นกรรมเกิดขึ้นทางกายทางวาจาหรือทางใจนั้นก็ให้ระมัดระวัง สิงไหนติจะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจนั้นเราขอให้คอยประคับประคองรักษารักษาสัมปท า, าถึงข้ามด้วยการรักษาด้รักษาอะไรรักษาใจใจนี่มันเป็นคนเป็นของส่ดื้อดึงมาแต่ไหนเป็อะไรมา ถ้าไม่มีสติไม่มีคุณงามความดีประดับไว้ก็เป็นสักเพียงแต่ว่าคนไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนันประสึินี่เนะี่ยให้พวกเราเข้าใจในการไปกันมาอย่าประมาทอปมาตโทมัจจุนโอปงัง บุคคลผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าคนตายถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ชื่อว่าคนตายเพราะความประมาทอัอปมาโทอมตังปรตังบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วตั้งอยู่ในกัลยาณ์นาถิณกัลยาณธรรมแล้วนั้นได้ชื่อว่าถึงแม้ว่าชีวิตมันจะร่วงรับไปก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยังมีชีวิตอยู่ ืนพวกเราพอใจรักษาใจนั่นนี่ดูที่ใจแก้ที่ใจนั่นนี่ไม่ต้องไปแก้ที่แก้ที่อื่นก็พิสไปเพราะว่ามันต้นตอมันอยู่ที่ใจของเรานี่ยเกิดก็อยู่ที่ใจดับก็อยู่ที่ใจนั่นนี่เมื่อเรลาได้ยินเด้่ังแล้วออกน้อมสติของตนลงไป หายใจน้อมใจของตนของตนให้ยินดีในคุณพระพุทธพรธรรมพระสงค์ตอ่อจากนั้นพวกเราผู้ตั้งใจก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญถึงแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ดีหรือนักปฏิบัติก็ดีก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญทุกทิพาราดีอ๋อล